สีปัทมาเทวปทสูตรว่าด้วยเทวบทสูตรที่หนึ่ ง, งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเทวบทของเทพทั้งหลายสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์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 เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแพ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ป่องแพ้วประการที่หนึ่ ง, งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม สประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนไหในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธินี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลาย